บทภาชนี 1,070 <emás> ัสตรีมีคันพิกษณีสำคัญว่ามีคันบวชให้ต้องอบัติปาจิตตีสตรีมีคันพิกษณีไม่แน่ใจบวชให้ต้องอบัติทุกกฎสตรีมีคันพิชชณีสาคัญว่าไม่มีคันบวชให้ไม่ต้องอบัติสตรีไม่มีคันพิกษณีสำคัญว่ามีคันบวชให้ต้องอบัติทุกกฎสตรีไม่มีคันพิชชณีไม่แน่ใจบวชให้ต้องอบัติทุกกฎ สตรีไม่มีคันพิกษณีสำคัญว่าไม่มีคันบวชให้ไม่ต้องอาบัต